รู้สึกเธอจะยั่วเราจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเอาสิมีอะไรจะพูดหรือจะยั่วอีกก็ว่าสิให้หมดไปแล้วจะไม่ได้พูดไม่ได้ยั่วลุงพ่อดำพูดประชด ก็ยั่วหลวงพ่อแล้วผมมีความสุขนิดครับแต่เอาเถอะถ้าหลวงพ่อไม่สบอารมณ์ผมก็จะหยุดพูดหยุดยั่วจะเปลี่ยนเป็นถามแทนผมขออนุญาตถามนะครับทูจะถามอะไรก็ถามได้เลยเราอนุญาตคือผมจะถามเรื่องผีดิบนะครับในภูมิส1อด เราจะจัดเค้ายในภูมิไหนครับแต่ที่แน่แคือต้องเป็นทุกขติภูมิอย่างแน่นอนเธอคิดว่าภูมิไหนดีล่ะอาจารย์ย้อนถามถ้าให้ผมคิดผมก็จะคิดว่าอยู่ในภูมิอสุรกายครับเธอมีเหตุผลอะไรจึงคิดเช่นนั้น เพราะทุกคติภูมิหรืออบายภูมิมีอยู่สี่ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานผีดิบไม่จัดอยู่ในนรกหรือเปรตเพราะพวกสัตว์นรกและพวกเปรตเป็นโอปปาติกะส่วนพวกผีดิบมีร่างกายที่เป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่มีวิญญาณครอง จึงไม่ใช่เดรัจฉานวิญญาณจะเข้าร่างเฉพาะตอนที่ออกไปหากินเท่านั้นผมจึงจัดพวกเขาไว้ในภูมิอสุรกายหลวงพ่อว่าผมคิดถูกไหมครับเธอคิดว่าเธอคิดถูกหรือเปล่าละ่ะหลวงพ่อในป่าย่วบ้างผมก็คิดว่าผมคิดไม่ผิดหรอกครับ ถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะคิดว่าอย่างไรครับเราก็คงคิดอย่างที่เธอคิดนั่นแหละเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยคิดอะไรที่ผิดไปจากความจริงครับทีนี้ผมก็หมดข้อสงสัยแล้วเห็นจะต้องกราบลาหลวงพ่อไปก่อนแล้วผมจะทำการบ้านมาส่งนะครับ ท่านกราบอาจารย์สามครั้งแล้วจึงเดินหายเข้าไปในป่าหลวงพ่อเกษมเพิ่งส่งน้ำเสร็จครั้นเห็นภิกษุอาคันตุกะเดินมาก็รู้ด้วยวรปัญญาว่าอาคันตุกะรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเพราะถ้าท่านเป็นพระธรรมดาลูกศิษย์ จะไม่ยอมให้เข้ามาโดยง่ายอย่างน้อยเขาต้องมาเรียนให้ท่านทราบเสียก่อนท่านไม่ได้รับแขกมานานแล้วเพราะคนที่มาน้อยคนนักจะมาขอธรรมะส่วนใหญ่จะมาขอหวยประชาชนคนไทยชอบเล่นหวยกันเหลือเกินมีทั้งหวยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายและหวยเอกชนที่ผิดกฎหมายซึ่งตํารวจปราบแล้วปราบอีกก็ยังไม่หมดไม่สิ้น เลยต้องทำเอาหงเปน็นนาเอาตาไปไร้เสียบ้างท่านพระครูคุกเขา่ากราบเป็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วกล่าวว่าผมพระภิกษุเจริญที่ตะธรรมโมจากวัดป่ามะม่วงมากราบหลวงพ่อครับพระครูเจริญที่กำลังเดินทุดงอยู่กับหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเอง ลวงพ่อเกษมพูดเหมือนกับรู้จักท่านและอาจารย์ของท่านหลวงพ่อรู้จักผมกับหลวงพ่อดำหรือครับคุณคิดว่าผมรู้หรือเปล่าละ่ะผู้อาวุโสก่าย้อนถามคงรู้นะครับและที่สำคัญคือหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อดำคือหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องนี้ผมเอง ไม่ค่อยแน่ใจสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านต้องเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วผมก็ยังสงสัยมากไปกว่านั้นสงสัยว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตรระซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อพุทธศักราช234ใช่ไหมถามตรงกับข้อสงสัยของท่านพระครูทำไมหลวงพ่อทราบภิกษุวัยสรู้สึกแปลกใจทำไมผมจะไม่ทราบละ่ะแต่พระธรรมทูต ที่เป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมายังดินแดนสุวรรณภูมิมีสององค์นะครับหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าทวงถูกแล้วท่านมากันสององค์องค์หนึ่งชื่อพระโสนะพระธรรมทูตองค์นี้ท่านไปเผยแผ่ในพมา่าส่วนพระอุตตระ ท่านเผยแผ่ในไทยทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับพวกเราแต่คนเห็นท่านยากเพราะท่านไม่ให้ใครเห็นนอกเสียจากบุคคลผู้นั้นมีบุญวาสนาจริงๆคุณเป็นผู้มีบุญวาสนามากนะขอบคุณครับเอหลวงพ่อครับ ผมแปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งคือก่อนผมมาผมถามหลวงพ่อดาซึ่งบัดนี้ผมแน่ใจแล้วว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรผมถามท่านว่าหลวงพ่อรู้จักท่านหรือเปล่าท่านตอบว่าไม่รู้จักแต่ทำไมหลวงพ่อรู้จักท่านล่ะครับผมชักงงเลยแล้วสิสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังขาพระอระหรันต์ จะพูดปลดได้อย่างไรกันหลวงพ่อเกษมรู้ความคิดของภิกษุอาคันตุกะจึงกล่าวว่าไม่ต้องงงที่ท่านบอกว่าผมไม่รู้จักท่านนั้นท่านหมายถึงว่าผมไม่เคยเห็นท่านท่านตอบคุณไม่ใช่หรือว่าที่ท่านไม่รู้จักเพราะท่านกับผมไม่เคยเห็นกันและกัน พระอรหันต์ไม่พูดปดหรอกคุณอย่าคิดว่าพระอรหันต์จะพูดปดนั่นสิครับแม้พระอรหันต์พูดปดไม่ได้แต่พูดให้คนงงได้ผมงงไปหมดแล้วนะครับนี่อย่าพึ่งงงเอาละ่ะคุณมาเหนื่อยเนื่อย นิมนต์สองน้ำให้สบายกายสบายใจก่อนแล้วค่อยมาคุยกันท่านชี้ไปที่ตุ่มน้ำลายมังกรใบใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าห้องสุขาขอบพระคุณครับผมชักรู้สึกเหนียวตัวอยู่เหมือนกันไม่ได้ส่งน้ำมาสามวันแล้วนี่ถ้าเป็นพราหมณ์รับรองบาปท่วมตัวเลยนะครับ พวกพราหม์เข้าถึงต้องอาบน้ําล้างบาปกันเขาว่าบาปกรรมที่ทําสามารถล้างออกได้ด้วยน้ําบาปที่ทําตอนเช้าล้างออกตอนเย็นบาปที่ทําตอนเย็นล้างออกตอนเช้าเขาจึงอาบน้ําล้างบาปกันวันละสองครั้งเช้าเย็น ท่านน้ำสามารถล้างบาปได้จริงพวกกุ้งหอยปูปลามันก็บริสุทธิ์กว่าพวกเรานะครับลุงพ่อเพราะมันอยู่ในน้ำาน่นสิเมื่อพราหมณ์มาถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระองค์มีการอาบน้ำล้างบาปหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า มีการล้างบาปแต่ไม่ได้ใช้น้ำศาสนาของเราใช้ศีลล้างบาปคือมีศีลเป็นน้ำมีศรัทธาเป็นท่าลงไปอาบพระองค์ไม่เคยขัดคอใครใครเขาว่าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดเขาแต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งหลักการของพระองค์คุณก็เหมือนกันเวลาไปสอนชาวบ้านก็อย่าไปขัดใจเขาเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปขัดขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลักการของเราไว้ถึงคุณจะบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่คนที่อิจฉาริษยาก็ยังมี คุณจะต้องผะจนกับคนพวกนี้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งพวกมิจฉาทิฐิมีทุกยุคทุกสมัยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเสียก่อนละครับหลวงพ่อผมจะอดทนจนกว่าจะตายจะใช้กรรมให้หมดเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้ว กรรมของคุณมันหนักมากนะแล้วคุณก็ต้องใช้เพราะไม่มีใครเข้ามาทำให้คุณคุณเป็นคนทำก็ต้องชดใช้ด้วยตัวคุณเองผมดูแล้วเห็นว่าคุณต้องเผชิญปัญหาทุกด้านเลยแต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ คุณเป็นนักสู้ที่เยี่ยมยอดมากผมขอชมเชยหลวงพ่อก็เป็นนักสู้ที่ยิ่งยวดนะครับสู้กับโรคภัยไข้เจ็บผมได้ยินมาว่าหลวงพ่ออาพาธเป็นมะเร็งในกระดูกแต่หลวงพ่อสามารถข่มเวทนาได้นั่งคุยกับผมเหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรผมชื่นชมในความอดทนของหลวงพ่อครับ คนเราก็มีกรรมต่างกันนะคุณเอาละคุณไปส่งน้ำเถอะเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำป่าณถวายหลวงพ่ออย่าลำบากเลยครับผมเกรงใจไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกธรรมเนียมไทยเราต้องต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือน เหมือนที่ท่านสอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนฌานต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลิดเพลินกายากว่าจะกลับคุณไม่เคยได้ยินหรือเคยครับเมื่อเคยก็ไม่ต้องเกรงใจไปเถอะ ตามสบายนะท่านพระครูจึงกราบท่านสามครั้งแล้วลุกออกมาเพื่อส่งน้ำสมพา์วัดป่ามะม่วงใช้เวลาส่งน้ำสิบกว่านาทีครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมหลวงพ่อเกษมไม่ได้ลุกไปไหนหากเบื้องหน้าท่านมีน้ำผลไม้วางอยู่สองแก้ว นิมนต์ฉันน้ำป่าเนะ่พูดพร้อมกับส่งแก้วบรรจุน้ำผลไม้ให้ส่วนอีกแก้วหนึ่งท่านฉันเป็นเพื่อนอาคันตุกะท่านพระครูเริ่มตั้งคำถามในใจหลวงพ่อองค์นี้ท่านต้องเป็นพระอภินญยาอย่างแน่นอนดูเถอะนั่งอยู่เฉยเฉยก็มีน้ำป่าเน่มาวางอยู่ตรงหน้าแสดงว่าท่านต้องเสกมา เพราะถ้าลูกศิษย์ออกมาถวายก็ต้องนำมาแก้วเดียวคิดดังนี้แล้วจึงยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยคืนนี้คุณพักที่นี่ก็แล้วกันมีเรื่องจะคุยกับผมไม่ใช่หรือแล้วไหนจะต้องทำการบ้านส่งหลวงปู่เทพโลกอุดอรอีกกว่าจะเสร็จ ก็ค่อนรุ่งกระมังหลวงพ่อเกษมพูดเรารู้จุดประสงค์ในการมาของท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดออกตัวว่าหลวงพ่อลวงรู้ความคิดของผมทุกอย่างแบบนี้ผมก็เขินแย่สิครับจะเขินไปทำไมผมไม่มีเจตนาจะพูดให้คุณเขิน เพียงแต่จะพูดให้คุณสบายใจเท่านั้นเอาละ่ะทีนี้คุณมีอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อครับทำไมหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านจึงไม่มาพบหลวงพ่อทำไมท่านรู้จักหลวงพ่อทั้งที่ไม่เคยพบกันก็คุณเรียกท่านว่าหลวงพ่อในป่าไม่ใช่หรือ ในเมื่อท่านเป็นพระในป่าก็แสดงว่าท่านชอบอยู่ป่าจะให้มาอยู่ในวัดท่านไม่มาหรอกเหตุนี้ท่านจึงไม่มากับคุณส่วนที่คุณสงสัยว่าทำไมท่านจึงรู้จักผมก็ขอตอบว่าท่านรู้จักพระสงฆ์ทุกรูปในโลกรู้ว่ารูปไหนดี รูปไหนไม่ดีท่านรู้ได้ทุกเรื่องหากต้องการจะรู้เอาอย่างนี้นะท่านให้คุณทำการบ้านเรื่องผมไปส่งท่านผมก็จะทำการบ้านเรื่องท่านฝากคุณไปส่งด้วยคุณมีกระดาษดินสออยู่ในย่ามเอาออกมาจดการบ้านของผมด้วย ท่านพระครูจึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจากย่ามแสงตะเกียงค่อนข้างริบรี่หากท่านก็ใช้แสงแห่งปัญญาซึ่งสว่างสวยกว่าเข้าช่วยพร้อมแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อบอกการบ้านครับการบ้านของผมมีชื่อว่าคาท้าบูชาหลวงปู่เทพโลกคูดอน พอผมนึกถึงท่านคาถานี้ก็ผุดขึ้นในใจผมไม่ได้เป็นผู้รจนาหรอกมีคนเขารจนาไว้นมนานแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในความคิดแล้วผมก็จำได้ทุกตัวอักษรคุณพร้อมแล้วก็จดได้เลยก่อนถึงตัวคาถาให้เขียนว่าตั้งนโมสามจบ เรื่องตั้งนโมสามจบก็มีที่มานะเกิดที่สุาสานไตรลักษณ์ของผมนี่เองคุณอยากฟังไหมละ่ะอยากฟังครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถอะครับแต่ถึงคุณไม่อยากฟังผมก็ต้องเล่าเพราะคุณต้องมีหน้าที่สอนญาติโยมเขาส่วนผม เลิกสอนแล้วสังขารไม่อํานวยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเรียนรู้ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาตนสิ่งที่เขาสนใจคือวัตถุเขาอยากได้แต่วัตถุไม่อยากได้ธรรมะสมัยที่ผมยังแข็งแรงผมเคยสอนนะแต่เชื่อไหม คนที่มานะ่เขามาขอหวยกันมาขอเลขเด็ดผมพูดอะไรออกไปเขาตีเป็นตัวเลขหมดพากันไปเล่นหวยใต้ดินบ้างบนดินบ้างพอถูกก็เมาเอาว่าผมคลั้งเลยยกขยงกันมาใหญ่ผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยงดรับแขก แต่ถ้ามีคนมาขอธรรมะผมให้นะถ้าขอหวยไม่ให้แล้วมันเกี่ยวข้องกับนโมอย่างไรครับท่านพระครูชวนวกเข้าหาเรื่องเดิมคือมีนายอำเภอคนหนึ่งเขาพาลูกน้องมาถวายสังฆทานแต่เขาไม่รู้เรื่องพิธีกรรมเลย กล่าวคำถวายก็ไม่เป็นผมจึงบอกเขาว่าให้ตั้งนโมสามจบก่อนถวายเขาก็ทำตามเขาว่าอย่างไรคุณรู้ไหมลุงพอ่อเฉลยดีกว่าครับเขาก็ว่านะโมนะโมนะโมสามจบจริงจริงผมทั้งขำ ทั้งสังเวทใจผู้นำไม่รู้เรื่องพิธีกรรมแล้วจะนำเขาได้อย่างไรผมว่าคนแบบนายอำเภอคนนี้ยังมีอีกมากนะมากมายมหาศาลเลยครับหลวงพ่อผมเป็นพยานได้อย่างที่วัดของผมก็เหมือนกันคนนี้เป็นอธิบดีนะครับมาแบบเดียวกับนายอำเภอเลย ผมบอกให้ว่านนโมสามจบเขาก็ว่านมโมนมโมนมโมผมก็จดจำไว้ว่านี่คือข้อบกพร่องของพระสงฆ์ที่รู้แต่จะรับแต่ไม่รู้จักให้พระสงฆ์จะต้องให้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้จักรับอย่างเดียวผมรู้ตระหนักในเรื่องนี้ดีก็เลยถือโอกาสสอนอธิปดีเส้นเลย ถ้าเขาจะกโกรธและไม่มาวัดผมอีกเลยผมก็ไม่สนใจเพราะถ้าเราให้ของแท้แต่เขาไม่ยอมรับอยากจะรับของปลอมผมก็ต้องตามใจเขาแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรกับนายอำเภอคนนั้นครับผมก็ทำอย่างคุณทำนั่นแหละคือสอนเขาแต่นายอำเภอคนนั้นเขาทิฏฐิสูง เขาโกรธผมหาว่าฉีกหน้าเขาคนเราลองได้มีทิฏฐิก็จบกันผมก็เลยปล่อยเขาไปปลอบใจตัวเองว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม